บ <Book> <31 S 3> ุกทูสามสิบเอ็ ด, ด, อดเอ็กสอสที่ร้านอาหารสามขบารกรูฮัตขบฮารกรูฮัตดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะมาละเอกสตาร์เตอร์ปเหยเจ म าลาเอกสตาร์เตอร์ไปให้เฉันอยากได้สลัดค่ะ म าลาเล प ा ह ปเจมลาเอลเจดฉันอยากได้ซุปค่ะ म ล एक ซ प ा ह ปเจมลาเซปไปเจฉันอยากได้ของหวานค่ะ म าลาเอกดีลาเอ प เจ ดิฉันอยากได้ไอิครีมใส่วิปครีมค่ะวปีอไีมไปใหมิลลีมสเอไอครีมดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะมันว่ชาชจักเราต้องการทานอาหารเชา้า อัมหัลลาเนยหาเรียกข้าวเย็นอัมหัลลาเนยหาเรียกข้าวเย็ต้องการทานอาหารกลางวันอัมหाลลาดูปาร์ซ์เบโฉน य ข้าวเย็นอัมหัลลาดูปาร์ซ์ र ाโฉนกเราต้องการทานอาหารเย็นอ म ् ह ा ल ा रात्री ซे भोजन क र ้าวเย็นอัมหाลाาราตรีซเบโฉนกข้าวे อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะะเล่ะนื้อหาीัด้าไปเจล่าละเนื้อหาซัดทีก้าไปเจขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะแยมอันนี้มดหาสบัดโรลยมอันนสบโรลขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะซอสเอจอันนชีสสบัดโทสต์ ซอสเอจอันน้ชีสโซบะทอสต์ไข่ลวกไหมคะอุกกัดเลเลอันดอุ่กัดเลเลอันดไข่าดาวไหมคะตัลเลเลอันดตัดเลลลอันดออมเล็ตไหมคะออมเล็ตออมเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ กรุปยาอันคีทอดระดะให้เดียกรุปยาอันคีทอดระดเขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะกรุปยาทอดระดะมีดอันนี้มีริปันเดียกรุปยาทอดระดเดขอน้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะกรุปยาอันคีแก้วน้ำปานเดียกรุปยาอันคีแก้วน